ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพระพุทธภาสิทธิโยจะวัสสตังชีเวอปะสั่งธรรมะมุตตะมังเอกาห่งชีวิตทางเสโยปัสโตธรรมะมุตตมังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐชีวิตของผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความธรรมอันสูงสุดในที่นี้ พระอัฏฐกถาจาร์แก้ว่าได้แก่โลกุตรธรรมเก้าคือมรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งมรสีคือโสดาภติมรสกกะทาคามิมรสานาคามิมรสอรหธรรมมรสผลสีก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่มรสเป็นผลบุคคลผู้มีเห็นธรรมอันสูงสุดนี้ย่อมระหุระเหินไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เห็นธรรมอันสูงสุดนี้แล้วการระหุระเหินย่อมสิ้นสุดลง ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปได้เดินทางชีวิตสุดสายแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปข้อความที่เหลือได้กล่าวแล้วในเรื่องก่อ น, อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อพระทับอยู่ที่เชตาบนารา ม, มืองสาวัตถีทรงปรารบ พ, พระพหุปุติกาเถรีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระปุติกาเถรีที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีบุตรมากคือมีบุตรถึงเจดคน ทิดาเจ็ดคนบุตรและทิดาเหล่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัสดส่วนของตนของตนทุกครอบครัวอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกินต่อมาวิดาของคนพวกนั้นสิ้นชีวิตลงแต่มารดายังคงไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ใครบุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่าเมื่อบิดาล่วงลับแล้วประโยชน์อะไรของแม่โดยทรัพย์ที่มีอยู่เป็นอันมากพวกลูกๆพอจะเลี้ยงแม่ได้ แม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติไปในครอบครองอันทำให้เป็นภาระกังวลมากอยู่นางฟังคำนั้นแล้วเฉยเสียเมื่อพวกบุตริดาพากันพูดและอ้อนวอนบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆรับปากว่าจะบำรุงเราให้มีความสุขประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องครอบครองอยู่ดังนี้แล้วได้แบ่งทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกๆทุกคนนางได้ไปอาศัยลูกชายคนโตอยู่ก่อน ล่วงไปสองสามวันเท่านั้นลูกสะภ้าคนโตได้กล่าวกับสามีว่าโอ้คุณแม่ของพวกเรามาอยู่อาศัยแต่เรือนเราเท่านั้นทำเหมือนเขาว่าได้ไ้ซับเราสองส่วนเมื่อนางไปอาศัยเรือนของบุตรหรือที่ดาคนอื่นๆเพียงสองสาวันก็ได้ยินคำพูดทํานองเดียวกันนางเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลีกออกจากเรือนไปบวชในสำนักพิสุนีที่วัดเชตวันบวชแล้วตั้งใจทําความเพียร ตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุณีทั้งหลายซึ่งเหียมเกมต้นละถ่มตัวบางคืนตั้งใจทําสมณธรรมทั้งคืนเอามือจับเสาใต้ประสาทแล้วเดินเวียนเวลาเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้เดินเวียนต้นไม้นางนึกอยู่เสมอว่าจากปฏิบัติตามธรรมที่พระาศาสดาทรงสแสดงพระาศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเสมือนหนึ่งว่า ประทับอยู่ขานานางแล้วตรัสว่าพระหุปุติกาความเป็นอยู่เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยปีของผู้ไม่นึกถึงธรรมไม่เห็นธรรมอันเราแสดงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวสัสสตังชีเวอปสั่งธรรมะพุทตมังเป็นอาทิมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น